อนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ531 1้ิภิกษุขอจากเครือขัดที่เป็นญาติ2อภิกษุขอจากเครือขัดที่ปรวรรณา3าภิกษุขอเพื่อภิกษุรูปอื่น4ีภิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน5้ภิกษุผู้เมื่อเครือขัดผู้ต้องการซื้อจีวรราคาแพงตนเองกลับให้ซื้อจีวรราคาถูก6กภิกษุวิกลจริต7จภิกษุต้นบัญญัติ อุปปักชาตะสิกขาบทที่แปดจบ